เสนาสนะคันตะหนึ่งปถมภานวาระวิหารานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตวิหารเรื่องเศรษฐีชาวกรงราชครือขออนุญาตสร้างวิหารสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเข่กรงราชครืครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพงไม่ได้ทรงบัญญัติ ยังไม่ทรงบัญญัติเสนาสะนะแก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นนั้นคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเวลาเช้าตรู่ภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่นั้นนั้นคือจากป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟาง ท่อสายตาลงต่ำมีการก้าวไปการถอยหลังการมองดูการเหลียวดูการคููแขนการเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิรียบทครั้งนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครืไปสวนแต่เช้าตรู่ได้赖เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่นั้นๆคือจากป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าช้าป่าชัด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 ถ้ากระผมจะให้สร้างวิหารพระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของกระผมหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าขหาบดีพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตวิหารเสถีกกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าจงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วแจ้งให้กระผมทราบภิกษุเหล่านั้นรับคำของเศรษฐีชาวกรุงราชครือแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเศรษฐีชาวกรุงราชครื้ต้องการจะให้สร้างวิหารถวายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าทรงอนุญาตเสนาสนะห้าชนิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกระถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเสนาสนะห้าชนิดคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราศาสต์เรือนโลนถ้ำต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชคลึกถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชคลึกดังนี้ว่าท่านข้าพเดีพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแล้วบัดนี้ท่านกําหนดการอันควรเถิดลำดับนั้น เศรษฐีชาวกรุงราชครื้ให้สร้างวิหารหกสหลังโดยใช้เวลาแค่เพียงวันเดียวครั้นให้สร้างเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรเศรษฐีชาวกรุงราชครื้ผู้นั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์ฉันพัฒหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครืทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วทูลลาจากไปครั้นผ่านราตรีนั้นไปเศรษฐีชาวกรุงราชครื ให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันปราณีตแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข่าพัฒหารเสร็จแล้วเศถี๋ยวชาวกรุงราชเครื่ถวายวิหารเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศ ข, ของเสถีชาวกรุงราชครื่ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพร้อมด้วยภิสุสง์ เศรษฐีชาวกรุงราชครืได้นำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพระทหารแล้วและพระหัตจากบาทจึงนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญต้องการสวรรค์จึงให้สร้างวิหารหกสิบหลังนี้ไว้ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในวิหารเหล่านี้อย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงในทิศทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไม่มาเษถีทูลรับพระพุทธดัมรัสแล้วได้จัดถวายวิหารห0สบหลังแก่สงจากทิศทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไมมาข้าท้าอนุโมทนาการถวายวิหาร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาเศรษฐีชาวกรุงราชเครด้วยพระคถาเหล่านี้ว่าวิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกงันงูยุงและฝนในคราวหนาวเย็นนอกจากนั้นยังป้องกันลมและแดดอันร้อนจากที่เกิดขึ้นการถวายวิหารแก่สงเพื่อหลีกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพินิจและเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมถวายภิกษุผู้พะหูสูตรให้อยู่ในที่นี้เถิดอีกประการหนึ่งผู้เป็นบัณฑิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุพะหูสูตรผู้ปฏิบัติตรงพึงถวายข้าวน้ำผ้าและเสนนาสนะอันควรแกท่ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรม อันเป็นเหตุบรรเทาสัปะทุกแก่เขาซึ่งเมื่อเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานได้ในชาตินี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาเศรษฐีชาวกรุงราชครืด้วยพระคถาเหล่านี้เสร็จแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับเรื่องบานประตูคนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตวิหาร จึงพากันสร้างวิหารอย่างกระเือรือรน้นวิหารเหล่านั้นไม่มีบานประตูงูบ้างแมงป่องบ้างตะขาบบ้างจึงเข้าไปได้ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานประตูภิกษุทั้งหลา ย, เ, าาาลายเจาะช่องฝาใช้เถาวันบ้างเชือกบ้างผูกบานประตู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 เรื่องบานหน้าต่างสมัยนั้นวิหารทั้งหลายยังไม่มีหน้าต่างทำให้เสียสายตามีกลิ่นอับภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหน้าต่างสามชนิดคือหน้าต่างไม่ลวดลายทําเป็นกระงชุกกระชีหน้าต่างมีตาคายหน้าต่างมีลูกกลง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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตม่านหน้าต่างกระแตบ้างค้างข่าวบ้างเข้าไปทางม่านหน้าต่างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานหน้าต่างเครื่องอัดบานหน้าต่างเรื่องเครื่องลาดต่างไม้เตียงถักสาร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 จปีถาทิอนุชา น, นาว่าด้วยทรงอนุญาตเตียงและตังเป็นต้นเรื่องเตียงและตังสมัยนั้นเตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดขึ้นแก่สงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงชนิดมีแม่แค่สอดเข้าในเท้า ต่างมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตต่างมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าสมัยนั้นเตียงมีแม่แคร่ติด ก, กับเท้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผร ipping, so ู fallen, ้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู clarify, ้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงชนิดมีแม่แค่ติดกับเท้าต่างชนิดมีแม่แค่ติดกับเท้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย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 เราอนุญาตตียงชนิดมีเท้าจดแม่แค่ต่างมีเท้าจดแม่แค่ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเกิดขึ้นแก่สง์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตต่างชนิดมีเท้าจดแม่แค่เรื่องม้านั่งชนิดต่างๆสมัยนั้นม้านั่งสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นแก่สง์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 รูปใดนอนต้องอาบัตุ ก, กฎเรื่องไม้หนุนเท้าเตียงสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงต่ำถูกงูกัดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้หนุนเท้าเตียงสมัยนั้นพวกภิกษุชาพาคีใช้ไม้หนุนเท้าเตียงสูง สลักติดกับไม้หนุนเท้าเตียงคนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนกระหัตผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุไม่พึงใช้ไม้หนุนเท้าเตียงสูงรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกดภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้หนุนเท้าเตียงสูง8นิ้วเป็นอย่างมากเรื่องได้สมัยนั้นได้เกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ได้ถักเตียงตัวแม่แค่เปลืองได้มากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เจาะตัวแม่แค่ แล้วถักเป็นตาหมากรุกท่อนผ้าพื้นเล็กๆ เ, เกิดขึ้นแก่สงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำเป็นผ้าปูพื้นปุยนุ่นเกิดขึ้นและถึงพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สางนุ่นแล้วทาเป็นหมอนปยนุ่นมีสามชนิด คือนุ่นจากต้นไม้นุ่นจากเถาวันนุ่นจากหญ้าเรื่องหมอนสมัยนั้นผู้ พ, พิสุชาพาคีใช้มอนยาวขนาดกึ่งกายยาวครึ่งลําตัวคนคนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นจึงตาหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนกระหัสถู้บริโภคกรรมพิษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้หมอนยาวขนาดคกล่งกกลรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำหมอนพอเหมาะกับศรีรษะเรื่องฟูกห้าชนิดสมัยนั้นมีมโหรสบบนยอดเขาในกรุงราชครึ้นคนทั้งหลายจัดฟูกห้าชนิดไว้สำหรับมหาอามาตย์คือฟูกขนสัตว์ฟูกผ้าฟูกเปลือกไม้ฟูกหญ้าฟูกใบไม้ ครั้นมโหสพเลิกแล้วเขาได้ถอดเอาปลอกฟูกไปภิกษุทั้งหลายเห็นขนสัตว์ท่อนผ้าเปลือกไม้หญ้าและใบไม้เป็นจำนวนมากที่เขาทิ้งไว้ในที่เล่นมโหสพภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฟูกห้าชนิดคือฟูกขนสัตว์ฟูกผ้าฟูกเปลือกไม้ ฟูกหญ้าฟูกใบไม้สมัยนั้นท่อนผ้าสาหรับใช้สอยประจำเสนาสนะเกิดขึ้นเกิดสงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้หุ้มฟูกเรื่องเตียงหุ้มด้วยฟูกสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายปูฟูกเตียงลงบนตังปูฟูกตังลงบนเตียง ผู้ขาดภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงหุ้มด้วยฟูกต่างหุ้มด้วยฟูกภิกษุปูลงไม่ได้ใช้ผ้ารองข้างล่างฟูกย้อยลงข้างล่างพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้ารองปูพื้นแล้วหุ้มฟูก โจรเลริกผ้าหุ้มฟูกลักเอาไปพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้เขียนแต้มโจรก็ยังลักเอาไปอีกพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำตำหนิไว้ถึงอย่างนั้นก็ย mm ัง hmm. ลักเอาไปอีกพระผู <avaient> ้ม <ki> ีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำตำหนิด้วยนิ้วมือไว้ แต่วันนาที่อนุชา น, นาว่าด้วยทรงอนุ ญ, ญาตสีขาวเป็นต้นสมัยนั้นที่อยู่อาศัยของผู้อดเละทีมีสีขาวแต่พื้นทำเป็นสีดำทำฟ้าเป็นสีเหลืองคนทั้งหลายประสงค์จะดูที่อยู่อาศัยจึงเดินทางไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาวสีดำสีเหลืองในวิหารสมัยนั้นฟ้าเนื้อหยาบสีขาวจึงไม่เกาะติดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใส่ดินปนกแกลบแล้วใช้เกลียงฉาบให้เรียบให้สีขาวเกาะติดสีขาวก็ยังไม่ติดสนิท ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใส่ดินละเอียดแล้วใช้เกลียงชาไม่สีขาวเกาะติดสีขาวก็ยังไม่ติดสนิทพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้อย่างไม้แป้งเปียกสมัยนั้นฟ้าเนื้อหยาบสีเหลืองจึงไม่เกาะติด ภ roster, ิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใส่ดินปนแกลบแล้วใช้เกลียงฉาบให้สีเหลืองเกาะติดสีเหลืองก็ยังไม่เกาะติดพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใส่ดินปนรำแล้วใช้เกลียงฉาบให้สีเหลืองเกาติดสีเหลืองก็ยังไม่ติดสนิท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 ปฏิภาณจิตตะปฏิเคปว่าด้วยทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทรงอนุญาตภาพดอกไม้สมัยนั้นผู้พิสุจชาพาคีให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมคือภาพสตรีภาพบุรุษไว้ในวิหารคนทั้งหลายเดินเที่ยวชมเห็นจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนคารหัสผู้บริโภคกรรม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมคือภาพสตรีภาพบุรุษรูปใดให้เขียนต้องอาบัตทุกกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภาพลวดลายดอกไม้ภาพลวดลายถาวันภาพลวดลายฟันมังกรภาพลวดลายดอกจอก อิทธากาจยาที่อนุชานะว่าด้วยทรงอนุ ญ, ญาตให้ก่ออิฐเป็นต้นเรื่องวิหารพื้นต่ำสมัยนั้นวิหารมีพื้นต่ำน้ำท่วมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ถมพื้นให้สูงดินที่ถมพังทลายพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินที่ถมสามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบันไดสามชนิดคือบันไดอิฐบันไดศิลาบันไดไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสำหรับยึดเรื่องวิหารมีพื้นเป็นลานโลง่งสมัยนั้นวิหารมีพื้นเป็นลานโลง่งภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าม่านภิกษุทั้งหลายเลิกชายผ้าม่านมองดูกัน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 ห้องคล้ายอุโมงห้องบนเรือนโลนเรื่องวิหารเล็กสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายกั้นห้องไว้ตรงกลางวิหารเล็กไม่มีบริเวณภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กั้นห้องไว้ด้านหนึ่งในวิหารเล็กแต่กั้นห้องไวตรงกลางในวิหารใหญ่เรื่องฝาวิหารชมรด สมัยนั้นเชิงฝาวิหารชมรุตภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกรอบเชิงฝาฝาผนังวิหารถูกฝนสาดพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแผงกันสาดฝาทำด้วยดินปนเท่ากับมูลโค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 เราอนุญาตเพดานเรื่องทรงอนุญาตไม้แขวนสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายแขวนถุงไว้ที่เท้าเตียงบ้างที่เท้าต่างบ้างหนูบ้างปลวกบ้างกัดกินภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้เดือยติดฝาไม้รูปงาช้าง เรื่องทรงอนุญาตราจีวอนสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเก็บจีวอนไว้บนเตียงบ้างบนต่างบ้างจีวอนเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราจีวอนสายระเดียงในวิหารสมัยนั้นวิหารยังไม่มีระเบียงพักอาศัยไม่ได้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 เราอนุญาตแผงเลื่อนฝาคำ้ำอุปทานนศาลาอนุชานะว่าด้วยทรงอนุญาตหอฉันเรื่องภิกษุชันร่วมกันในกลางแจ้งสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายชันอาหารร่วมกันในกลางแจ้ง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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสำหรับยึดผงหญ้าตกเกลื่อนที่หอฉันพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกทำให้มีสีขาวให้มีสีดำให้มีสียางไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจากเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวีวรสายระดีง สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายปูจีวรลงบนพื้นดินกลางแจ้งจีวรปืน้นฝุ่นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราจีวรสายระเดียงไว้กลางแจ้งน้ําดื่มถูกแต่จึงร้อนพระผู้มีพระภาคารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสาลาน้ําดื่ม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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบนไดาสามชนิดคือบรรดอิดบนไดศสิลาบรรดไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวสำหรับยึดพงหญ้าตกเกลือนที่ศาลาน้าดื่มพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลง แล้วเอาดินโบกฉาทั้งภายในภายนอกทำให้มีสีขาวให้มีสีดำให้มีสีอย่างไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวัลย์จากเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวกีวอสายระดีงไม่มีภาชนะสำหรับตักน้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังตักน้าขันน้ำ ปาการาธิอนุชาณะว่าด้วยทรงอนุญาตรวัวล้อมเป็นต้นเรื่องวิหารไม่มีรวัวล้อมสมัยนั้นวิหารยังไม่มีรวัวล้อมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ล้อมรวัวสามชนิดคือรัวอิดรัวสิลารัวไม้ เริ่มงทรงอนุญาตซุ้มประตูซุ้มประตูไม่มีพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตซุ้มประตูซุ้มประตูมีพื้นที่ต่ำน้ําท่วมถึงพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถมพื้นให้สูงซุ้มประตูไม่มีบานประตูพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวลิงลิมกรอนช่องดานช่องสาหรับชักเชือกสําหรับชักผงหญ้าตกเกลือนที่ซุ้มประตูพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกทำให้มีสีขาวให้มีสีดาให้มีสียางไม้ เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายถาวนจากเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกเรื่องทรงอนุญาตท่อระบายน้ำสมัยนั้นบริเวณเป็นโคลนตมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โรกโกรวดแร่กรวดแร่ไม่เต็ม พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูศิลาเรียบน้ำขังพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่อระบายน้ำเรื่องทรงอนุญาตสาลาไฟสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทำที่ตั้งเตาในที่ต่างๆทั่วบริเวณจึงสกปรกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 คันที season, ่ทำด้วยศิลาคันที่ทําด้วยไม้พิกษุทั้งหลายขึ้นลงลาบากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบันไดสามชนิดคือบันไดอิดบันไดศิลาบันไดไม้เมื่อพิกษุทั้งหลายขึ้นลงพระตกลงมาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวสาหรับยึดโรงไฟไม่มีบานประตู พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้ารูครกที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวลิงลิ่มกรอนช่องดานช่องสําหรับชักเชือกสําหรับชักพงหญ้า ต, ตกเกลือนที่สาลาไฟพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลง